การปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เราใช้กายใจได้เกิดความสะดวกจริงๆการปฏิบัติบางทีต้องอาศัยรูปแบบ การดูลมหายใจดูตองพองยุบการเดินงกลมการนั่งสร้างจังหวะลุงคนกระชาการทำงานการเคลื่อนไหวการตื่นยันหลับมีรูปแบบวิธีการต่างๆมากมายในโลกใบนี้ มีทั้งสมถไมีทั้งวิปัสนาก็ทาไปตามสติปัญญาภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละคนมาอยู่สังคมไหนอย่างไรมีความเชื่อความศรัทธาอย่างไรเมื่อน้อมอาว้ฏิบัติแล้วเราก็จะได้เห็นประสิทธิภาพคุณภาพของรูปแบบการฝึกวิธีการฝึก มาเเยนทางเห็นมกเกิดมกักเกิดผลไวเป็นสิ่งที่เป็นเกณฑ์ชีวัตในการเดินทางในการเรียนการศึกษาของเราแล้วภาคปฏิบัติการรูปแบบการปฏิบัติมันจะเป็นเกณฑ์ชีวัตบอกเราตรงๆควารมรู้สึกตัวตาขณนนะ มาเกิดการกระทำขึ้นมามาทำเป็นขึ้นมาก็มีผลทันทีให้ใจกับกายอยู่ด้วยกันจิตใจเป็นปกติทันทีความคิดหรือว่าภพชาติกิเลสตัณหาวยาบาทต่างๆรรมิบากตรู้เท่ารู้ทันเหมือนกัคลี่คลายภายในจิตใจของเราเคยมีปม ถูกผูมันรัดตึงด้วยเครื่องพันธนาการรักห่วงห่วงต่างๆรักลูกนห่วงบุกคอเราไม่รู้หลงก็ไปยึดแม่พอม่อผูกแขนสมบัติแก้วแหวนมันแว่นผูกขาบระทุนหนึ่งสองสมบุคคลนึสานอกจากเราเป็นขันห้า เป็นก้อนทุกข์เราก็แบกภาล่าอยู่แล้วเมื่อยังมีอีกหลายคนอีกหลายขันใหเราได้ยึดโยงห่วงใหญ่เหมือนเชือกผูกมัดรับตึงอยู่ภายในจิตใจพอมารู้สึกตัวก็คลี่คลายใจดีแก้ได้ใจร้ายแก้ไหมบราณท่านว่า มันจะผูกมาลัดเติงกระดานไหนถ้าใจดีแก้ได้หมดมีปัญหาก็มีทางออกมีภัยก็มีทางรอดเราต้องเลือกให้เป็นภัยของร่างกายก็มีภัยของจิตใจก็มีภัยของร่างกา ย, ก, ย, ก, ย, า ก, ายก็นี่แหละโลคาภัยนี่แหละวิมาตรวนาสภัยอุปัติภัย ภัยต่างๆเกิดขึ้นมามันก็มีทางออกมีทางป้องกันป้องกันดีกว่ารักษาป้องกันดีกว่าให้ถึงเวลามันเป็นไปแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงจิตใจของเราก็มีทางออกตรงๆจิตใจที่หมกมุ่นคิุนคิดยิ่งคิดยิ ง, ย ง, ย ง, ยงดินยิงรัดเนียมันออกมา ที่ความรู้สึกติถานกายเนี่ยแหละเบื้องต้นเลยถ้าใครไปอยู่ความคิดคืนอยู่ความคิดนก็แสดงว่าเออไม่เคยรู้จักเลยพุทธศาสนาสอนอะไรเป็นชาพุธตามสมนติเวนบ้านเป็นชาพุตแค่เพียงเอาไปบอกเขากรอกตามแบบสอบถามสัญชาติ ไ, ไทยไทยนับถือศา ส, สนาอะไรพุทธ อาไปเรียนนอาไปสมัครงานทำไมเคยมาใช้เวลาที่มันกินไม่ได้มันนอนไม่หลับเวลาติมคิดมากมีความกังวลที่คิดรกวนเหมือนภัยเลยในอ่างมันไม่ตัดกรรมมโนกรรมกรรมดีมโนกรรมกรรมชื่วมันไม่ตัดสะดุดหยุดลงเพราะฉะนั้นทางออกทางเนี้มันเป็นทางออก ของผู้มีปัญญาเคยฝึกความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวจนชํานาญจะนงพลังของสติพลานุภาพของสติมันให้เราพึ่งแล้วก็ผ่านซะด้วยทุกครั้งที่รู้สึกตัวเป็นมันมุ่งทุ่นคิดมันคิดแล้วก็เป็นบวกเป็นลบเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความพอใจไม่พอใจ มันจะเป็นปกติทันทีที่เรารู้สึกตัวรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดรู้ทันการเคลื่อนไหวมันไม่ใช่ตามรู้นะมันรู้ทันเลยทันทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้ร้องขอเป็นธรรมชาติตามเหตุตามบัจใจแต่เรารู้ทันทันทีมันก็ฉลาดทันทีไม่ยึดทันทีเกิดการปล่อยทันที เกิดความการปล่วางความว่างก็ปรากฏความเป็นปกติมันก็เด่นขึ้นมาตรงนี้แหละมันเป็นหนทางเป็นวิธีทางที่จะทําให้เราเกิดการแก้ไขปรับปรุงตัวเองขึ้นมาเห็นชัดเจนภายในตัวเราดันั้นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวการมีสติจเจริญสตินะเมื่อสติมันจเจริญขึ้นมา เรื่งของประสบการณ์ที่เป็นสัญญะนีรู้รู้ถูกรู้รู้ถูกมันตีโจทย์แตกตรงนี้แหละทำไม่เกิดความเป็นอิสระภาพขึ้นมาในการที่จะใช้ชีวิตวเผชิญโลกโลกทั้งใบพอตีเราเหมือนกับว่าจะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการทีนี้เราอยู่กับโลกจะมีการเกี่ยวข้องทางพฤติกรรม เกิดจากวิธีคิดกรรมมโนนาวัตตีโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมดีก็ไปหาดีกรรมชั่วไปหาชั่วคนทําดีก็ใช่ว่าจะมีความสําเร็จจากผู้อื่นคนปฏิบัติธรรมก็ใช่จะมีความสําเร็จจากผู้อื่นมันสําเร็จด้วยกลไกภายในของมันเองนความไม่ทุกข์อยู่ที่ตัวเรา นนเมื่อความปกติเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่มีอยู่ในตัวเราแล้วเรียบร้อยนันเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ความเป็นปกติความไม่ปกติก็อยู่ไม่ได้ความโกรธความโลภความหลงความรักความชังกิเลสตัณหาอุปาทานต่างๆมันก็จะเป็ น, นกลไกที่ทําให้เราเกิดความเข้าเข้าใจชีวิตขึ้นมา ทุกๆชีวิตไม่มีคนคนไหนเราไม่มีกิเลสไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีความรักไม่มีความชังไม่มีความทุกข์มีหมดแต่ผู้มีปัญญาหามีมีปัญหาไหมผู้มีปัญญาก็ทะลุทะลวงเห็นการเกิดดับจนกระทั้งจิตใจมันยอมรับขึ้นมาปฏิบัตินี่ยเรานั่งเจ็บปวดไปบ่อย ถึงวันหนึ่งจิตมันก็ยอมรับขึ้นมาอยู่ในสังคมนี้ตลอดนะสังคมชุมชนชาววัดป่าสุพโตกี่วัดประจําวันต่างๆจิตใจก็ยอมรับตลอดถึงอยู่ได้ถ้ามันเกิดการไม่ยอมรับขึ้น ม, มันก็อยู่ไม่ได้เมื่อเราเห็นร่างกายของเราเนะี่ยตามความเป็นจริงนมันก็เห็นจิตใจของเรานะตามความเป็นจริงมาเห็นสภาพธรรมต่างๆ ตามความเป็นจริงเยตรงนี้เราจะเกิดปัญญาเกี่ยวข้องถูกต้องขึ้นมา้วยกมือมันก็วางกายก็เกี่ยวข้องถูกต้องถ้าสร้างจังหวะไปเพ่งจี้จ้องยึดกายมันก็ยังไม่ถูกแต่ว่ามันไม่ถูกเพื่อที่จะถูกนมันยังไม่ตรงทางก็ไปดีทำไปแล้วตรงทางต่อไปจังหวะใดจังหวะหนึ่งนมันเกิดปัญญาในระดับที่จะรู้เท่ารู้ทันขึ้นมา เฉลยให้มีโจทย์มันก็ตอบได้มันเกิดความเป็นเองขึ้นมาอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเราจะต้องเฝ้าดูสักนิดหนึ่งดูแบบมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงเหมือนกับเราดูสุริยุปราคากคมีวระสบการณ์ในการดูสุริยุปราคาละยินได้ฟังเราก็ไม่เชื่อเหมือนสะัยรายการที่สี่ เป็นนักพยากรณ์เป็นบิดาของด า, าราศาสตร์บิดาของวิทยาศาสตร์ของไทยคํานวณว่ามันจะเกิดโซเวลาคาขึ้นมาที่ว่ากอตำบลว่ากอมีการคํานวณมีการคาดคะเนคนก็ไม่เชื่อก็เลยพากันไปเชิญกันต่า ง, งชาติมาดูด้วยมันจะเกิดวันนี้วันนี้แล้วก็จริงนีย นะไม่นานวันนี้มันก็เกิดนะสักสิบปีที่ผ่านมาหนะรือว่าเร็วๆนี้ก็เกิดนะมาสักเดือนธันวาคมนะแต่ว่าต้องไปดูกันที่โ ด, ยดนอยนนบนเห็นชัดเจนในหน้ของสุรยุปราคาขอไปเร็วๆนี้มันเป็นเรื่องของจันทรุปราคาปะ อภาจารไม่ได้ละสองอันเนี้ยนะแต่ทีนี้ว่ามันมีปีหนึ่งที่มีประสบการณ์ไปดูก็คือปีนั้นก็บอกว่ามันจะเห็นประกายแผนเพชรชัดเจนแต่ว่าพอเราอยู่จังหวัดรยองมองไม่เห็นนะมันจะเห็นอยู่เกือบเต็มดวงด้านหนึ่งทีนี้ลรื่องของการดูเราจะเห็นปรากฏการณ์นะพระที่ค่อยๆมัวลงมัวลงแล้วก็ต้องมีเครื่องมือก็กระจกดําอาจจะเป็นลมควันหรือกระจกสีดํา สองดูจังหวะ น, นั้นเองถ้าใครเผลอนิดเดียวเราก็จะลืมว่าประกายแหวนเพชรที่เขาบอกเอาไว้นะมันเป็นยังไงขณะที่มันไม่ได้ดูมันลืมไปแล้วล่ะแต่คนที่เฝ้าดูแสดงว่าต้องการเห็นประกายแหวนเพชรมันก็จะมีขณะที่ซ้อนกันร้อยเปเซแล้วก็เริ่มคลายจาังหวะที่แสงรอดหลุม ก, กาบาท มันจะมี่างกายแหวนเพชรแว บ, บเดียวอย่างเงี้นะอันนี้เปรียบเทียบผมมาไวชั้นใดก็ดีการที่เราปฏิบัติทำเราได้เห็นนะปฏิกิยาต่างๆถ้าเราเฝ้าดูอย่างต่อเนื่องมันจะเห็นนะสัจธรรมความจรงิงนะโดยการสัมผัสโดวยวฉพาเห็นความคิดนี่ก็คือการสัมผัสเป็นความรู้สึกเห็นกายขึ้นไหว น, น้ยามสุดมันก็อย่าเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึก เวลาเราโลภเรากลัเราหลงนยถ้าเราเห็นเป็นความรู้สึกมันจะไม่โกรธแต่ว่าถ้ามันเห็นเป็นความคิดเป็นอารมณ์ปะเผลอถูกดูดไปเลยแต่ถ้าเห็นเป็นความรู้สึกโกรธมันจะดับลงทันทีเห็นว่ากําลังรู้สึกว่าคิดมันจะจบลงทันทีเห็นว่ากําลังเมื่อยอย่างเงี้ยนะมันจะแยกให้ทันทีกําลังปวดมันจะแยกให้ทันทีเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเวทนากายมันจะชัดเจนเหลือเกิน ใหม่น้ําก็จะแค่ชาๆก่อนพอตอนหลังมันก็เจ็บพอตอนหลังก็เป็นเน็บพอเป็นเน็บแล้วเนี่ยบางทีมจะดูเหมือนว่าร่างกายของเรามันมีกลไกที่ช่วยตัวเองไม่ให้เจ็บมากกว่านั้นแต่ที่สำกันก็คือมันไม่ใช่เน็บเนื้อแล้วมันเจ็บเข้ากระดูกนพอมันเจ็บเข้ากระดูกเนี่ยเรามีความรู้สึกทีทนไม่ได้เลยแต่พอฝึกไปฝึกไปฝึกไปเนี่ย สิ่งเหล่านี้กลับทําให้จิตใจของเราเกิดตาบะขึ้นไงเกิดความขัน เ, เกิดความอดทนขึ้นมาขันติไนงะทีนี้สิ่งเหล่านี้เนะี่ยในแนวปฏิบัติแนวหลวงปู่เทียนเนะี่ยใหม่ๆไม่ต้องทนใหม่ๆนี่ให้เหมือนกับว่ารู้สึกว่าเจ็บแล้วก็มีความคิดร้องขอว่าเปลี่ยนเธอครั้งที่หนึ่งเปลี่ยนเธอครั้งที่สองเปลี่ยนเธอครั้งที่สามความคิดร้องขอให้เรารู้ทันตรงนี้ เห็นว่าความคิดจิตของเรากาลังทุรนทุลายร้องขอหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วตั้งสตินะรู้สึกตัวเปลี่ยนเอียบทให้ตรงนี้แหละมันจะเป็นลักษณะของสุขาวิปัสสโกนะทำอย่างง่ายให้ผลอย่างเริ่อเราจะเห็นความจริงว่าเออทุกกายผ่อนคขายบรรเทาแก้ไขให้แต่ถ้ายังไม่แก้ไขให้ใจก็ไม่ได้ว่าอะไร จะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้จิตใ จ, จไม่ได้ว่าอะไรมันจะยอมรับตรงนะี้พอเดือดไปไปไปไปมันกลายเป็นของเล่นนของนักกรรมฐานอาการความง่วงนะที่เกิด ก, กายเกิดกใจของเรานะให้สังเกตทั้งง่วงที่กายยังไงก็ต้องไปนอนนะถ้าไม่นอนจะไม่หายง่วงนะแต่ทั้งง่วงในจิตหนะลอกนิดเดียวมันหายง่วงทันทีนะเช่นว่าหลอก ไปล้างห้องน้ําเธอไปเข้าห้องน้ําเธอไปดื่มน้ําเธอหรอไปซักผ้าเธอแค่เพียงเราเดินทางออกจากทางเดินวงคมเท่านั้นเองมันจะคลายหลุดออกทันทีรืบางทีเรามองยอดไม้มองต้องฟ้าตามหลักวิธีแก้ความม่วงอุบายแก้ความม่วงที่มีอยู่ในตำรับตาําราะที่เขาอ้างว่าองค์สมเด็จสัมมาสรรมาัมพุทธเจ้าได้พูดเอาไว้เ แล้วก็ลองเป็นขั้นเป็นตอนไปบางทีก็เอาใบไม้เอาเมือหยิบใบไม้มากองเอาไว้เก็บอะไรที่เป็นขยายเงี้ยอันนั้นมันจะหายทันดีเลยหางานให้มันทําพอจิตเป็นกุศลขึ้นมาเกิดวิตติขึ้นมามันก็เกิดแล้วนะอารมณ์บุญขึ้นมานั้นมันจะกลบเอากุศลนี่วัฏฏธรรม ความง่วงถือว่าเป็นนิวรธรรมนะกลางคืนเรานอนกันมาทั้งคืนแล้วทีนี้ถ้ามันเมื่อไหร่ก็ตามมันแสดงออกมาภายในหนึ่งวันก็แสดงว่าเป็นนิวรธรรมดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องของจิตหลอกได้ทันทีนะจะเกิดอ ก, การตื่นตัวขึ้นไหมไปอาบน้าําอาบถ่าล้างหน้าล้างตามือรูปหน้ารูปตารูปเน้อรูปตัวตา่ตางๆอันนี้ก็ถือว่ า, าเป็นลนักษณะของกุศโลบายเป็นโอบายเป็นเทคนิคในการปฏิบัติธรรม จะ ท, ทำให้เรารู้จักในวัฏฏธรรมแล้วก็สามารถแก้ได้ผ่านได้เกิดความคิดหลังเลสงสัยขึ้นมาเกิดความคิดฟุ้งซ่านขึ้นมาพวกนี้ต้องอาศัยเวลาหน่อยกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวบางอบายก็บอกว่าให้เราได้เหมือนกับว่าสวดมนต์ลองมานั่งสวดมนต์อรหังสัมมาสังพทโธพระวาสักระยะหนึ่ง จิตก็จะสงบสงบขึ้นมาเป็นลนักษณะของเจตนาคิดนะคิดในเรื่องของทำ ม, มาคิดในเรื่องของความดีความงามต่างๆมันจะเป็นกุศโลบายแก้ง่วงวิธีการของเราลักษณะของการฝึกหัดแบบแนวเคลื่อนไหวจริงๆมันตื่นอยู่แล้วแหละการเดินชงกลมเดินไปเดินมาระยะทางยาวๆเนี่ยถึงจะง่วงก็ง่ว ง, ง, วงน้อยมากแต่ก็มีนะ บางครั้งที่มันง่วงมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นอุปสรรคอาการต่างๆกลายเป็นอาการที่เรากําลังสังเกตเพื่อที่จะได้ไม่ให้มันครอบงาจิตใจของเราเพื่อให้จิตใจของเราทะลุทะลวงออกมาแวกออกมาสู่ความรู้สึกตัวตรงนี้แหละหลายๆวันเราก็จึงมีการเรียนชีวิตเรียนกายเรียนใจของเรานะ เป็นตัวชีวิตที่อยู่ด้วยกันมันเคยเวียดเวียนกันแต่ตอนนี้เราใส่ความสึกตัวเจริญสติฝึกสติลงไปมันจะเป็นกลางเพาะว่าความเป็นกลางจะเกิดขึ้นมาร่างกายก็ผ่อนคลายจิตใจก็รู้สึกเบิกบานขึ้นมามีความผ่องใสทุกครั้งที่มันเกิดความเป็นปกติขึ้นมามันจะเป็นที่หลบหรือว่าที่พักใจของเรา ทุกครั้งเวลาจะเกิดปัญหาต่างๆกลับมารู้สึกตัวก่อนเราจะเห็นว่าเขาวุ่นวายแต่เราก็ไม่ได้วุ่นวายเขาสับสนมีปัญหาแต่เราไม่ได้สับสนไม่ได้มีปัญหาเขามีอาการต่างๆแต่เราก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นบางทีตรงนี้นคนที่อยู่ข้า ง, างเราอาจจะเป็นครูสอนเราเขาง่วงเราไม่ง่วงเขาก็สอนเราแล้วเราปกติดีอยู่เราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นะ เขาคุยเราไม่คุยเขาจะคุยกันเราปลีกตัวมาเงียบๆเขาก็สอนเราอยู่ตลอดเวลาเวลาเขาทุกข์เราก็ไม่ทุกข์อย่างมีโยมที่นี่อยู่คนหนึ่งมื่อวานวางเป็ตัวไว้นริ่มวางส้มมาไว้ลืมตัวไปอยู่ทางหนึ่งแต่ว่าอาหารอยู่อีกทางตั้งไว้กับดินได้นะเราเดินมาเจอแล้วก็เลยไปบอกไปหา เจ้าของว่าของใครเนี่ยตั้งไว้อย่างเนี้ยทําไมฮิวมาแล้วไม่ถึงที่พักเงี้ยนะเราก็บอกกันอย่างเนี้ยก็เลยเป็นครูตักเตือนของกันและกันเป็นเพื่อนเพียรยานามิตรอย่างเงี้ยตัวแรนจะเป็นบรรยากาศถึงแวดล้อมที่ดีพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งในเรื่องของทิศทางเดินสู่ความเป็นโปรตีของจิตของกายของใจเนี่ยตัวนี้ให้พากันทําให้มากอยู่ที่นี้ อย่าฟังเฉยๆให้ฟังแล้วก็เอามันพอถึงเวลาก็ไม่เอาไปทำแต่ว่าถึงไม่ทำก็จะพูดกันอยู่นี่แหละพูดจนกวา่าวันใดวันหนึ่งมันจะสะดุดแล้วก็ทายสุดได้ประโยชน์จากการมาจุดมนต์มวัดจากการมาฟังธรรมจากาการมาอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของวัปฏาสุกโตต้องมีสักคนหนึ่งที่ได้ประโยชน์ รู้รูป ร, รู้นามรู้เรื่องของาศาสนาเรื่องตัวเรารู้ถึงเรื่องสติศีนสมาธิปัญญาทุกออกจากทุกมรรคผลนิพพานมันมีอยู่จริงเราก็จึงเหมือนกับว่าน้อมากระทํากันเดี๋ยวนี้ก็ตามเป็นความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวคู่ปรับของมันก็คือความคิดสภาวะของกรรมฐานแนวเคลื่อนไหวคู่ปรับก็คือมันจะเป็นคู่ที่ปรับ ให้เราเดินถูกทิศถูกทางนะมันไม่ได้เป็นศัตรูหรือเป็นสิ่งที่เราจะต้องมึกลังเกียจนะความคิดเนี่ยจริงๆเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อีกตัวหนึ่งอาจจะเรียกว่าสัญญ า, า จ, จะเรียกว่าสังขารนะตัวความคิดเนี่ยนะแต่ไอตัวลักขโมยคิดตัวเนี้ยนี่ยมันเป็นลัาษณาของสังขารที่เป็นตัวที่เราไม่ได้เจตนาปรงนะุงตัวเนี้ย มันจะเป็นจลิตนิสัยให้ความเคยชินมันจะเป็นลานาของคิดด้วยกิเลสคิดด้วยความหลงเมื่อเรามีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราก็จะสังเกตได้สามารถที่จะจับพลังงานของตัวเนี้ยได้แน่นอนอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเรามีาเครื่องมือจับอากาศที่ลอยอยู่ตรงนี้นี่มันจะมีคําเทศคําบอกคําสอนของพระครูบาอาจารย์ทั่วโลกเลยในโลกใบนี้มีครูบาอาจารย์เท่าไหร่นะ สามารถรับมาได้ทันทีมันดูดมาได้ทันทีถ้ามีเครื่องรับนะพยาติก็อยู่ในอากาศตอนนี้ไขรพยาติปลิว อ, อยู่เชื้อไวรัสแบคทีเรียนะีมันปลิว อ, อยู่ในอากาศเนะขึ้นอยู่ s f สเขึ้น IF ขึ้นนะเ m ขึ้นพลังงานต่างๆที่ยิงลงมาคลื่นนื้อทินนตต่างๆ พลังงานต่างๆไฟฟ้าสถิตต่างๆเกิดเต็มไปหมดเลยบริเวณนี้เพียงแค่มีเครื่องลับเท่านั้นเองพลังงานดีก็มีอยู่พลังงานชั่วก็มีอยู่ตรงเนี้สิ่งที่ทาลายเราก็มีอยู่สิ่งที่ทําให้เราเจริญงอกงามก็มีอยู่เพียงแค่มีเครื่องลับเท่านั้นเองอันนี้จริงพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ความชื้นขนาดนี้ก็มีอยู่เรามีเครื่องวัดหรือไม่ความเย็นตอนนี้ความร้อนตอนนี้ก็มีอยู่เรามีเครื่องวัดหรือไม่เราจะได้รู้ว่าตอนเนี้ย อุณหภูมิเท่าไหร่ความชื่นสัมพัทเท่าไหร่มันสามารถวัดได้ทันทีฉันใดก็ดีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเครื่องวัดสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเครื่องวัดความเป็นปกติเนี่ยเป็นเครื่องวัดวัดจิตวัดใจเป็นสุขเป็นทุกข์นหรือว่าวัดความเป็นพระนจะดูความเป็นพระก็ดูที่ศีลพลังงานของพระเนี่ยอยู่ที่ความเป็นปกตินะ พลังงานของเด็กอยู่ที่ร้องไหเ้เด็กเนี่ยถ้าร้องไห้นะมีพลังมากผู้ใหญ่อยู่ไม่ได้เลยพ่อแม่อยู่ไม่ได้เลยจะต้องหาสหาเหตุทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กจึงเอาการร้องไห้เป็นการร้องเพื่อต่อรองนะเรียกร้องความต้องการของตนยิ่งเด็กทุกวันนี้เนี่ยอารมณ์ร้ายมากะเขาจะแสดงอารมณ์มาเพื่อที่จะต่อรองร้องขอ สิ่งที่เขาต้องการถ้าพอแม่เรี่องดูไม่เป็นมันก็แน่นอนที่สุดอกแตกตายเลยตอมใจตายเลยเป็นอย่างนั้นชั้นใดก็ดีเราอยู่กับตัวเราเองบางทีล่างเป็นมนุษย์มนุษย์สเปโตเงี้ยแต่ใจเป็นเปลือเงี้ยเดยมันจะหาเรื่องแยกให้เพราะในโลกนี้เป็นโลกของมนุษย์อยู่ถ้าเป็นเปลือยอยู่ไม่ได้เดี๋ยวต้องหาเรื่องตายมนุษย์เดรัชาโนอันนี้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน ร่างเป็นมนุษย์จิตใจเป็นสัตว์เดชานเดี๋ยวก็หาเรื่องจิตใจพาไปเกิดใหม่อยู่ไม่ได้ในโลกใบนี้นะเป็นสนัตว์นรกอยู่ไม่ได้เดี๋ยวจะหาเรื่องแยกให้เพราะั้นร่างเป็นมนุษย์ใจก็ต้องเป็นมนุษย์ถึงจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างอายุยืนยาวนีเราได้เห็นกระบวนการที่เรามาฝึกสติปัฏฐานมันพาไปเห็นตรงนี้เห็นพบเห็นชาติจามรณะ เห็นเพราว่าสวะเห็นกามสวะเห็นอวิชชาสวะคือความไม่รู้นะมันไม่รู้กายไม่รู้เวทนไม่รู้จิตไม่รู้ธรรมมันไม่รู้สึกตัวเพราะตัวเรามันมีกายมีเวทนมีจิตมีธรรมมันมีการหน้าเราไม่เห็นลอว่าความบริสุทธิ์มันมีอยู่เราก็รีบหลงเข้าไปตีความกลายเป็นความพอใจไม่พอใจเห็นรู้ก็พอใจไม่พอใจวัตถูกกรรมกุศล มันก็เป็นพบเป็นชาติอยู่ตลอดเวลาเวลาปรามีความรู้สึกตัวนะเคลื่อนไหวก็ต้องสัมผัสรู้สึกตัวจิตวิญญาณขอเราคืนสู่สภาพของสภาวะบริสุทธิ์ความเป็นปกติทุกๆขณะมันก็บอกเราเหนือสุขเหนือทุกข์เป็นยังไงก็คือความรู้สึกตัวนะั่นแหละมันพาให้เราเหนือสุขเหนือทุกข์จริงๆตรงนี้เป็นหนทางรอดของเรานะที่จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาม า, มากมายแต่ว่าเราไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะ่ เราก็จึงไม่มีห่วงที่เรียกว่ารักโล้นพวงผูกคอถึงมีก็ไม่ห่วงรักแม่รักพ่อเป็นปอผูกแขนเราก็ไม่ห่วงสมบัดแก้วแหวนมึงแว่นผูกขาแล้วก็พร้อมที่จะคืนให้สู่โลกใบนี้คงไม่ใช่เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์อยู่อันนี้ก็เรียกว่าความประมาทก็เคยมีผ้ารูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลนะหลอยฟังก่อนที่จะจบ นะอันนี้มันอยู่ในตำราคิดว่าเอามาอ้างมั่งก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่คิดจะอ้างเลือกตำหลับตำราเลยเรื่องบาลีเลยเนะตัวเองก็คิดว่าจะไม่บวดต่อเนะพราะเรามาใส่รูปแบบคนหัวคนคิว้วนุ่งห่มพ้าเหลืองเนะี่ยมันมาจากรูปแบบของพระเจ้านะที่เรามีความเชื่อมีความศรัทธาถ้าไม่พูดเลยไม่อ้างกันเลยอ้างว่าความรู้สึกตัวพอแล้วนะีคิดว่าสุกไปเป็นโยมนะพอเป็นโยมก็รู้สึกตัวได้ดีคงไม่ต้องอาศัยกรแบบนี้ต่อไป เพราะนั้นขออ้างนิดหนึ่งมีผระสองรูปหนึ่งเป็นผู่สมเฝ้าทรัพย์อยู่ในหมพุทธการได้จีวรใหม่มาก็ห่วงมากรู้สึกว่าจีวรเนี่ยมันแหมเป็นสมบัติล้ำค่าจิตผูกพันขณะนั้นเองจิตก็เกิดดับขันตายไปขันห้าแต่กระจายตายลารับจากโลกนี้ไป ปรากฏในหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันองค์สมเด็จจะมาเจ้าได้บอกว่าให้เอาจีวรเอาไว้เหมือนเดิมทุกคนห้ามแตะเพราะจิตของพระรูปนี้กำลังยึดเอาสิ่งเหล่านี้ขณะตายไปก็ยังยึดอยู่ถือว่าตอนนี้เนี่ยไปเกิดเป็นไลอยู่ไปเกิดเป็น เป็นไรเป็นเหลือบเฝ้าผ้าเหลืองอยู่เพราะฉะนั้นจะเพิ่งไปโยงกับผ้าให้เจ็ดวันก่อนหลังจากนั้นแล้วค่อยบางสกุลเอาไปใช้ต่อเนีเราก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมตอนที่โยมเงาะเสียชีวิตอยู่ในกุฏเนี่ยอยู่ในกุฏก่อนที่จะเก็บของไปได้หลวงพ่อกำเขียนบอกว่าให้อยู่ที่นี่เจ็ดวันก่อนให้อยู่ที่ี่ให้ครบเจ็ดวัน อีกในยะหนึ่งก็คือลักษณะของหลักกฎหมายด้านกฎหมายการที่มีคนตายเราอย่าเพิ่งไปยุ่งอย่าเพิ่งไปขยับให้อยู่อย่างนั้นก่อนเดี๋ยวทางกฎหมายก็ไม่เอาความไม่เอาเรื่องผ่านตลอดแล้วเดียวว่าสืบสวนสอบสืบสาวหาเหตุจนกระทั่งหายสงสัยนะนะค่อยเอาไปอันนี้อีกกรณีหนึ่งอีกอันนึ่งก็คือลักษณะของ การที่คนตายแล้วก็ของไม่ได้ตายตามตัวมันก็บอกถึงว่าเราตายเนี่ยสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไปเราไม่ได้เอาร่างกายเอาท่าสี่กันห้าไปทั้งหมดสิ่งที่จะติดตัวเราไปคือบุญคือบาปเป็นสังขารละขันเป็นเรื่องของกิต จิตนสาสโ ย, ยากายแต่ว่าเวลามันไปเนี่ยมันทิ้งร่างกายไว้ดินสู่ดินน้ําสู่น้ํำลมสู่ลมไฟสู่ไฟโยมงอนเมื่อวานไปดูเนีก็ไม่เห็นเหลืออะไรนะสถูกตั้งอยู่ก็เห็นแต่สถูะนะเป็นาธาตุนะตั้งอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของกระดูกที่เห็นกระดูกต้องยกขึ้นมาถึงจะเห็นกระดูกว่ามันอยู่่อยางงั้นมันไม่เหลืออะไรเลย ความดีความช่วยในโลกใบนี้ก็คงจะไม่เคยมีใครได้พูดแล้วก็สืบทอดกันต่อไปนะแต่โดยส่วนตัวทำไมเห็นว่าก็มีความดีอยู่ในตัวเช่นทํ า, ามวัดรเช้าเนี่ยขาจะมาทุกวันธรรมวัดรเช้าช่วงที่เขาอยู่นะยกเว้นช่วงที่เขาคล้ายๆกับ เ, เก็บอารมณ์เขาจะมาบอกพระด้วยเพราะฉะนั้นชุมชนเนี่ยนะเวลาทํามวัดรสวมดมนต์ควรมายังไงก็ควรมาเห็นหน้ากันหนึ่งครั้ง อนทานอาหารเนี่ยควรเห็นหน้าดีหนึ่งครั้งถ้าหายไปเนี่ยต้องสงสัยแล้วนะไม่เจ็บป่วยก็ขาดอาหารหรือไม่ก็ตายไปแล้วละลักษณะที่ว่าออกมาไม่ไหวก็ขาดอาหารหมดเรี่ยวหมดแรงกะนหรือไม่ก็ป่วยออกมาไม่ไหวเงแล้วรึไม่ก็ตายไปออกมาไม่ได้เรากควรดูแลกันหรือว่าเขียนบอกว่าให้จับคู่กันไว้นะคนที่อยู่ที่นี่เป็นประจําจับคู่กันไว้เวลาเห็นอีกค น, นก็คือเห็นอีกคน ถ้าไม่เห็นนี่คนก็ให้ถามทันทีว่าอีกคนหนึ่งไปไหนให้ถามมีความรู้ชอบแบบนี้ร่วมกันเดีย่ยวคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายอย่างเงี้ยนไปไหนไปด้วยกันตัวในทางกลับกันจิตนจิตใจของเราเนี่ยเราก็ต้องมีเพื่อนก็คือมีความรู้สึกตัวนะตลอดเวลาตลเวลาเลยเป็นธรรมที่ทาให้เกิดความไม่ประมาณเหมือนเมื่อกี้ที่เราสวดบรณจิตคนพิจนารณาหนึ่งเมืองว่านะ มีข้อหนึ่งมันบอกว่ า, วาตัวของเราเองติดเตียน ต, ต, ต, ต, ตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ตัวนี้นทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวมันก็ปกติปกติก็คือศีลปกติคือศีลศีลคือจีลาศีลคือสิสสรสิอย่างเงี้ยคือความงดงามในการดํานงชีวิตมันจะใช้ชีวิตอย่างกลมเกลื่นเป็นความงดงามนะแล้วก็จะเกี่ยวข้องโดยหน้าที่ถ้ามีหน้าที่กาจัดการรับผิดชอบ ถ้าไม่ได้มีหน้าที่เราก็ไม่ต้องการเราก็อยู่ไปเรื่อยๆตามภาษาของเราลักษณะของการมาอยู่วัดป่าสุโธให้เรามีการฏุบติการเคลื่อนการไหวให้ใหมากเท่าที่จะมากได้ไปไหนให้มีคู่ป้องอยู่คนเดียวมันอยู่หลายคนอยู่หลายคนมันอยู่คนเดียวอยู่สองคนก็ทําสิ่งเดียวกันคือมีความรู้สึกตัวจะอยู่กี่คนก็ตามเพราะนั้นคนที่มีศีลยังไม่มาขอให้มา มัดป่าสุโตคนที่มาแล้วท่านที่มาแล้วก็ไห้อยู่อย่างมีความสุขมีความสุขมีความสุขอันนี้เป็นลักษณะของธรรมวินันที่องค์สมเด็จพระาศาสดาของเราได้วางเอาไว้เป็นหลักการชัดเจนล้วก็จึงใช้ความรู้สึกตัวที่เกิดจากการเคลื่อนการไหววิธีปฏิัติแบบแนวหลวงปู่เตียนกิตตาโพในวัดเนี้ยให้มันเป็นละนะักษณะออกหน้าออกตาเรือื่นเป็นรองแล้วก็ ทำเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เอาออกหน้าออกตานะมันก็จะเป็นหลักการของชีวิตเราที่เราจะสามารถพึ่งชีวิตของเราได้ต่อไปเอาละในท้ายสุดนี้นะก็เห็นว่าคําพูดนะก็ออกไปมากพอสมควรแล้วนะก็ขอใหนะ้ลักษณะของคําพูดนะเป็นเรื่องของความจริงนะที่เราจะสัมผัสได้ในตัวเราโดยเฉพาะประโยคที่ว่านะให้มีความรู้สึกตัวน การเคลื่อนการไหวของกายนมีความรู้สึกตัวเราเห็นจิตใจของเรามันเคลื่อนมันไหวด้วยมันเป็นอาการของจิตที่จะเป็นอาการที่ทําให้เราได้เกิดปัญญาทั้งคู่ก็ขอให้สติประฐานจงปรากฏและจงเกิดตามสมควรแก่การปฏิบัติได้สัมผัสผลกระทั่งมีศรัทธามีความเชื่อว่าทำกรรมฐานมันเหนือดีเหนือชั่วเหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บหนือตายก็จงได้ประสบพบเจอ รวมกันในวันชาตินี้โดยทั่วหน้ากันทุกๆ ท, ท่านเธอ